สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารเป็นชีวิตพระเยซูตอนที่479เรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่8พระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่10จนถึงข้อที่19พระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่10จนถึงข้อที่19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 เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนค้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมแต่บัดนี้ข้าพระองค์กาลังจะไปหาพระองค์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 ของพระบิดานั้นเท่าเทียมกันครับนี่คือสภาพหนึ่งของตรีเอกานุภาพในข้อสิบเอดพระเยซูกล่าวว่าบัดนี้ข้าพรองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกนั่นหมายความว่าพระเยซู ก, กําลังจะเดินขึ้นสู่ทางแห่งโกลโกธาเดินขึ้นด้วยความสมัครใจไปที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนหลังจากนั้นเป็นขั้นหน่วความตายหลังจากนั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์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 ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระเยซูอธิษฐานให้กับสาวกให้พวกเขานั้นไม่ทะเลาะ ก, กันให้พวกเขานั้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งให้พวกเขานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับเหมือนดังที่พระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพอบิดาประการที่สองครับพระเยซูอธิษฐานขอการพิทักษ์รักษาให้พวกเขาจะมีความมั่นคงปลอดภัยฝ่ายวิ ญ, ญญาณจะ ปกป้องจะรับการปกป้องไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปเลยนะครับในบัมพีตอนนี้เพยียร์สุวิชฐานว่าข้าพระองค์อธิษฐานนะครับข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศลูกแห่งความพินาศนี้หมายถึงยูดาสครับยูดาสเป็นลูกแห่งความพินาศเพราะว่าเ้านั้นเป็นสาวกของพระเยซูก็จริงแต่เขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขายังอยู่ในความโลภ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 นี่เป็นประการที่สามประการที่สี่ครับอยู่ในข้อสิบห้าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่เขาต้องรับการปกป้องขอาการปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายหรือชึ่งชั่วร้ายและนี่คือคาอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวด้วยเช่นเดียวกันครับคําอธิษฐานของพระเยซูประการที่สี่นี้ก็คือขอพระเจ้าปกป้อง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 ประการที่เจ็ดนี้คือการชำระแต่งตั้งการชำระแต่งตั้งนี้หมายถึงการเจิมครับพระเยซูชำระตัวถวายเป็นเครื่องบูชาพระเยซูกำหนดอิทิานให้สาวกถวายตัวครับรับการเจิมรับการแต่งตั้งเพื่อทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในพันธกิจของพระองค์ต่อไป นี่คือเจ็ดประการครับที่เราจะรู้และเมื่อเราอ่านและสรุปพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักสาวกมากมายครับพระองค์อธิษฐานเผื่อและนี่คือคําอธิษฐานของมหาปุโรหิตเป็นอธิษฐานเป็นคําอธิษฐานของผู้เลี้ยงแกะที่เลิศประเสริฐที่สุดที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าดูแลสาวกของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราอธิษฐานเผื่อซึ่งจะแลกกันทั้งเจ็ดประการนี้ ให้เราจำเนินขึ้นในทั้งเจ็บประการนี้เพื่อให้เป็นที่ถวายสักเกียรแ บ, บ่พระเจ้าอามน